เรียนเก่ากันนะสลับชื่อเรื่องนิดจปอเจ็บ <c oughs> oh, ความประสองค์อันเดิมน ะ, ะวันนี้เรียนเรื่องปัจจัยคงยังไม่มีเอกสารประกอบเพราะว่าวันหลังๆจึงจะเอาเอกสารมาแจกบ้างแต่ในช่วงนี้นักเรียนที่ควนควายในการศึกษาก็ ของได้คนคว้ากันพอสมควระนะเนาะนี่ในเรื่องของปัจจัยปัจจัยนั้นก็หมายถึงเหตุที่ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญต่อการศึกษาธรรมะถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนปัจจัยแล้วเราจะมองถึงเหตุถึงผลไม่เพียงพอคือถ้าหากว่าเราเข้าใจเรื่องปัจจัยจะทําให้เราเข้าใจ กลุ่มธรรมะอีกค่อนข้างมากอย่างเช่นธรรมะที่ว่าด้วยเรื่องของอนุสัยถ้าหากว่าเราเรียนเรื่องปัจจัยมาแล้วอนุสัยจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนักเธอสามารถเรียนรู้ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาจะเข้าใจเป็นอื่นได้อย่างเช่นยกตัวอย่างถามว่าในาวังคจิตของเราท่านทั้งหลายมีอนุสัยไหมอืม ถามว่ามีอนุสัยไหมทีนี้เราก็ต้องมาพูดว่าอนุสัยคืออะไรใช่ไหมอนุสัยก็คือกิเลสที่ที่มีกําลัง อ, อนุสัยเนี่ยก็คือตามนอนมาแต่คําว่านอนในที่นี้หมายถึงว่ากิเลสมีกําลังเพราะอาจว่ายัางละไม่ได้อกิเลสที่มีกําลังเพราะอาจว่ายัางละไม่ได้องค์ทำได้แก่นหนึ่งหนึ่งนะกามะราคาโนใสสอง คิขานุสัยอาจจะไม่ยังลำดับนะสามพวราคานุสัย 4. ีสี่อ่าไม่ใช่วิจิจขานุสสยอ่าปฏิขานุสัย กอกมานาเนสเจ็ดวิชานะอนุสัยนี่มีเจ็ดอย่างด้วยกันหนึ่งนะกามะราคานุสัยองค์ธรรมเท่ากับสภาวะธรรมได้แก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลจิตแปก สภาวะของเขาของของกามราคานุใสได้แก่โลภะเจตสิกที่ในโลภะมูลกิจแปดทิฏฐานุใสสภาวะของเขาได้แก่ทิฏฐิเจตสิกสามภวะราคานุใสอันนี้แปดวงนะนี่ถ้ากับสี่ดวงภวะราคานุใสได้แก่โลภะเจตสิก ที่ในโลภวิปยุทธจิจสี่เพราะว่าราคานุสยัยองค์ธรรมได้แก่โลภที่ถีขะตะวิปยุทธจิจนั้นองค์ธรรมได้แก่โลภเจตสิกนั่นเองส่วนวิจิกิจฉานุสยัสยได้แก่องค์ธรรมได้แก่วิจิกิจฉาปฏิคานุสัยองค์ธรรมได้แก่โธสัที่ใน โทสะมูลจิตสองมานานุสัยได้แก่มานะเจตสิกที่ในโลภะทิฏฐิกะตะิริบโลภะทิฏฐิกะตะกิบประยุติจิตสี่อวิชานุสัยองค์ทรรมได้แก่โมหะเจตสิกที่ในอกุศลกิจสิบสองนี่คือสภาวะของอานุสัยเจด คำว่าอนุสัยเจ็ดเนี่ยบอกกิเลสที่นอนเนื่องเพราะอับว่ายัางละไม่ได้คำว่าอับยังละไม่ได้เพราะผู้มีะภาพกรับหม้ยว่าเป็นกิเลสที่มีกำลังกิเลสที่มีกำลังนั่นแหละเป็นชื่อของอนุสัยมีอยู่เจ็ดอย่างด้วยกันเพราะอนุสัยเหล่านี้เนี่ยส่งข้อโดยมาติกาเป็นอกุศนอย่าง น, นะเป็นอาคุศล เป็นคำที่ให้วิบากเป็นธรรมดาเป็นอกคุสน์ด้วยอเป็นวิปากับวิบากวิปากธรรมะธรรมะให้ผลได้เจตสิกที่ประกอบอะเจตนานี่ยให้ผลได้ทีนี้เรามาพูดว่าเมื่อมานะ อ, าอนุสัยทั้งเจตเป็นอกุศลเกิดคําถามว่าส่วนใหญ่เราจะบอกว่ากิเลสที่นอนเนื่องใช่ไหม ถามว่านอนเนื่องตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่เรามาแปลว่าเนี่คืออนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องถามว่าในภวังคจิตสมมุติว่าคนนี้ปฏิสนธิด้วยมหาวิบบาทดวงที่หนึ่งถามว่าในมหาวิบบาทดวงที่หนึ่งมีอนุสัยกิเลสไหมนะอนุสัยกิเลสเนี่ยท่านแบ่งออกเป็นสองใหญ่สองน้อด้วยกันถามอย่างเช่นยกตัวอย่างว่า คำว่าปฏิ อ, อวิชานุสัยนะลองยกตัวอย่างเพราะเมื่อเช้าเราเรียนเรื่องอวิชามาอันยกว่าอาวิชานุสัยกิเลสที่มีกําลังเพราอัดได้ย่างละไม่ได้คืออวิชาอาวิชาเกิดร่วมกับอาปุสโสลกิจสิบสองอวิชานี้เกิดที่ไหนเพ่งเห็นอวิชานุส นูใสที่ไหนที่ในตามมาพบโรคประพบอารมประพบะตามมาภูมิรูประภูมิและอารมประภูมิพึงเห็น อ, น อ, อวิคานูใสที่ตามมาภูิรูประภูมิและอารมประภูมิท่านจึงแบ่งออกเป็นสองในด้วยกัน อ, าอาวิชานุใสเกิดร่วมกับอคุโสระกิศสิบสองโดยสหาชาตาธรร ม, มนะอวิชาเกิดร่วมกับอคุโสระกิศสิบสองโดยสหาชาตาธรรมเกิดร่วมกันเลยอ่าพค้นี่นที่เพิ่ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่า ความสำคัญในการเรียนปัดใ จ, จว่าทำให้เราแยกกลุ่มธรรมะได้เช่นว่าเราจะรู้จักอวิชานุสัยที่อวิชานุสัยเป็นสาชาตธรรมตัเร่วมกับโมหะมูลจิตทั้ง12ดวงในขณะเดียวกันนั้นอวิชานุสัยเนี่ยรู้อารมณ์ได้เท่าไหร่อารมณ์ของอวิชานุสัยอย่างนี้เรียกว่า อารมณานุสัยมันจึงแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเหมือนกันว่าหนึ่งสหชาตธรรมหรือสหชาตานุสัยสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับอนุสัยกับสภาพธรรมที่เป็นอารมณ์ของอนุสัยเพราะฉะนั้น พระธรรมที่ที่เกิดร่วมกับ อ, อวิชานุสัยได้แก่อกุศลรกิษณ์สิบสองและเจตสิกที่ประกอบยี่สิบหกดวง <When> เว้นเในตัวเองเพราะตัวเองเป็นอนุสัยจึงเว้นตัวเองนะอวิชานุสัยเท่ากับโมหะเจตสิกบวกอาคุโสระิตณ์สิบสองบวกเจตสิกที่ประกอบย <When> ี่สิบหกเว้นเว้นโมหะ ถ้ตัวเองเป็นก็ก็เหมือนกับอย่างนี้นะถามว่ามีคาถามว่าถ้าเรามามานี่นะถามว่าคนที่เป yeah. ็นญาติเนี่ยมีไหมสมมติมีคนหนึ่งแล้วคนที่ในใช่ญาติเนี่ยมีไหมมีเยอะแยะทีนี้ถามว่าคนที่ไม่เป็นทั้งญาติด้วยหรือว่าไม่เป็นญาติอีกก็ไม่ใช่เป็นญาติก็ไม่ใช่ไม่เป็นญาติก็ไม่ใช่อ่ะถามว่ามีไหม นี่ตัวเองไงตัวเองจะว่าเป็นญาติก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ญาติก็ไม่ใช่อะมันมันเป็นลักษณะนี้แหละฉันจึงเว้นโมหะออกไปธรรมะที่ร่วมกันลักษณะนี้เรียกว่าสหธาตธรรมคือธรรมที่เกิดร่วมกับอนุสัยแต่ธรรมะคือการมาพบรูปประพบและอรูปประพ เป็นอนุสัยได้ไหมเป็นอารมณานุสัยได้เพราะเป็นอารมณ์ของอนุสัยได้เหรนะแม้แต่มหาวิบากจิตดวงที่หนึ่งในฐานะพวังมหวิบากดวงที่หนึ่งในฐานะพวังนั้นไม่สามารถเป็นสหาชาตานุสัยเพราะอาวิชามไม่ได้เกิดที่ในพวังขจิตโตตัว มหาวิบากจิตสามารถเป็นอารมณ์ของอนุสัยได้ทีนี้ถามว่าในมหาในพวังนี่มีอนุสัยไหมต้องแยกตอบในพวังขจิตมีอนุสัยไหมบอกว่าต้องตอบว่าโดยสหาชาตธรรมไม่มีอวิชาไม่ได้เกิด ร, ร่วมกับพวังขจิต ภวังขจิตสามารถเป็นอารมณ์ของอวิชชาได้จึงเรียกว่าอารัมมานุสัยของอวิชชานั่นแหะถ้าแบ่งเป็นสองกลุ่มปั๊บอย่างนี้อวานุสัยเรียนไม่ยากนั่นและแล้วการศึกษาธรรมะเนี่ยจะไม่ยากถ้าเราเข้าใจเรื่องปัจจัยนั้นการเรียนธรรมะนั้นช่วยได้เยอะถ้าเราเข้าใจเรื่องของปัจจัย อัญญาสมนาจา ร, ริกสิบสามอตุศเจรศิกสิบสามเวนอริชาเวนโมหะทีนี้มาทำความรู้จักในขั้นต้นนั้นคำว่าปัจจัยนั้นท่านนีอธิบายไว้ในคำพีปฐฐานเนาะ ในคำพีปฎาญเนี่ยพูดถึงเรื่องของของคำว่าปัจจัยเอาไว้เดี๋ยวเราอ่านให้ฟังสักนิดหนึ่งก่อน ท่า น, นปัจจัยนั้นในอภิธรรมัตสังคหะเราสามารถดูได้ในปริเฉตที่ที่แปดแต่ก็ในปริเฉตแปดก็ไม่ได้อธิบายไว้ละเอียดมากนะักท่านเอามาพอสังเกตคือย่อๆพอเป็นแนวทางของนาศาศาักศึกษาโอ้บางท่า น, นีม่เก่งนะปรงเขตหนึ่งตบโดดมาแปดเลยนั่นแหละแต่ก็ที่จริงศึกษาธรมรมะนะมันจะสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยอ่า เราจึงไม่ต้องมาห่วงกังวลว่าโอ้โหนั่นมันไปนเขตนั้นไปเขตนี้ไม่ต้องกังวลเพราะธรรมะนี่จะจะสัมพันธ์กันเป็นเรื่องเดียวกันก็เหมือนกับเราเรียนเรื่องสรีระนะขึ้นๆต้นอยู่พูดหัวอยู่เอไปพูดขาได้ยังไงแต่ก็ห nee ัว <t> กับขาก็สัมพันธ์กันไม่ต้องห่วงเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเรียนจบเรื่องจิตแล้วจะไปเข้าใจเรื่องขาได้ดีสมมติถ้าเข้าใจในส่วนหัวแล้วจะเข้าใจเรื่องเท้าได้ดีแต่ก็เรียนหัวก็ส่วนหัวเท้าก็ส่วนเท้าแต่ถ้าเรียนจารยานึ่งก็จะมีความ สัมพันธ์กันทั้งหมดนั่นแหละคำว่าปัจจัยเป็นแค่คคำที่มาจากคำพีปัจฐานคำพีมหาปัฐานนี้มีอยู่หลายเล่มด้วยกันแต่ว่าที่มันเยอะเพราะว่าท่านมีการจำแนกแจกแจงปัฐานแต่ทีนี้คำว่าปัฐานมีอยู่ความหมายอยู่สามอย่างด้วยกันเพราะว่าในคำพีนี้เป็นคำพีที่แสดงปัจจัยโดยประการต่าง ปัจจัยนั้นเคยได้ยินนะปัจจัยยี่สิบสี่เช่นเห hey, ตุปั จ, จโยอารมณะปัจจโยใครไม่เคยไปงานศพ บ, บ้างยกมือขึ้นไม่นีโอ้แสดงว่าเคยได้ยินเรื่องปัจจัยมาหมดแล้ว <c oughs> แต่แต่เขาอยางว่านะฟังฟังภาษาพระพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่นะหลังคําว่าปัจจัยก็แสดงปัจจัยโดยประการต่างๆมีอยู่ยี่สิบสี่ปัจจัยหนเหตุปัจจัย สองอารัมณะปัจจัยสอธิปติปัจจัยสอนันตระปัจจัยหสมนันตระปัจจัย 6. สหชาตปัจจัยเจัญญมัญญะปัจจัยจ ет, อยะเงี้ยไปลักษณะนี้นะแต่นี้จะไม่เอามาทั้งหมดคือคือตรงนี้เนี่ยยอมยังไม่ต้องฟิฟีเรียดโอ้โหทำไมจำไม่ได้โอ้ท่านพูดมาเยอะยอพูดเป็นลักษณะอธิบายเข้าโครงให้ฟังบ้าง ให้เห็นความสัมพันธ์ก่อนยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแล้วก็เอกสารยังยังไม่แจกคิดว่าอาทิตย์หน้าอ่าวันเสาร์หน้าเสาร์นี้ขยักไว้ก่อนแล้วใครเรียนจริงหรือเปล่าไม่ใช่มาเอาเอกสารแล้วกลับบ้านไหมกลับมาเรียนอีกเราไม่แจกเดี๋ยวดูว่า <c oughs> ถ้าติดตามก็จะ แ, แจกมา้งปัญหาสําคัญนะส่วนหนึ่งเพิ่งให้เขาพิมพ์ทั ต่อไปนะคำว่าปัจจัยเพราะแสดงปัจจัยโดยประการต่างๆมีทั้ง24ปัจจัยโดยพิสดานมีก 10, 50กว่าปัจจัยแต่ทีนี้การเรียนเรียนเป็นกลุ่มจะไม่ยากนกะความหมายในที่สองเป็นคำพีที่จำแนกข้อธรรมโดยปัจจัยต่างๆกุสลาธรรมาอย่างเช่นนะข้อธรรมก็คือเช่นกุศลอกุศล กุศลอกุศลเนี่ยก็มาจําแนกโดยปัจจัยต่างๆเช่นกุศลบางอย่างเป็นเหตุปัจจัยใช่ไหมกุศลบางอย่างเป็นเหตุตุปัจจัยอกุศลบางอย่างเป็นเหตุปัจจัยเมื่อเช้าโลภเป็นเหตุุปัจจัยโทสะก็เป็นเหตุุปัจจัยโมหะก็เป็นเหตุตุปัจจัยเป็นปัจจัยโดยความเป็นรากของจิตอ่ะนั่นแหละนั่นก็หนึ่งปัจจัยอีกเหมือนกัน มูลก็คือรากนี้ต่อไปนะความหมายในที่สามคำว่าปฐานนั้นเป็นที่ดําเนินไปแห่งพระสัพพัญญุตญาณคือญาณของพระพุทธเจ้าเนี่ยดําเนินไปในคัมภีร์นี้เขาจึงเรียกคัมภีร์นี้ว่าปฐานคัมภีร์ปฐานนั้นเป็นคัมภีร์ที่แสดงวาระไว้ละเอียดพิสดารค่อนข้างมากซึ่ง เรายังไม่มุ่งนําเสนอในระบบคัมภีร์ถ้าเรียนในระบบคัมภีร์จะมีตัวเลขประมาณสิบสองหลักนะตัวเลขสิบสองหลักซึ่งมีความสัมพันธ์กันมีเค้าโครงมีปุจชาวาระมีวิสัชนาวาระมีอนุโลมประธานติกะประธานทุกะประธานทุกะติกะติกะทุกะอะไรอย่างเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่ไม่อธิบายในแง่นั้นแต่ให้เรารู้เข้าโครงว่าคัมภีร์ที่แสดงแบบละเอียดก็มีแต่นี้เราจะพูดถึง ปัจจัยแบบคร่าวๆเพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาพระธรรมต่อไปทีนี้คำว่าปัจจัยหมายคำว่าผลธรรมย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้เพราะโดยอาศัยธรรมะที่เป็นเหตุธรรมะที่เป็นเหตุนั่นแหละชื่อว่าปัจจัยนั่นแหละบอกว่า ทำตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยเหตุนะอาผลธรรมตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยเหตุหรือว่าผลธรรมตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยเหตุไอเหตุที่ทาให้เกิดผลธรรมเหล่านั้นเนี่ยชื่อว่าปัจจัย นั่นแหละก็คือหมายถึงตัวนี้ก็เหมือนกับอ่ามีอะไรที่มันมันเหมือนกับจะลอยอยู่นะแล้วเอาอะไรมาค้ำเอาไว้มีไม้มาค้ำเอาไว้สามสี่อันอย่างเงี้ยสมมติว่ามันอะไรดีสมมติหินก้อนหนึ่งใช่ไหมเอาไม้ประมาณสักสี่ห้าตัวเนี่ยมารองรองรรอ ง, รองแล้วเอาหินวางไว้ข้างบน บอกว่าก้อ น, กนหินที่มันตั้งอยู่ได้แบบนั้นอะ่ะเพราะอาศัยไม้คำ้ำฉันใดอ่ะถ้าไม่มีไม้ค้ำและไอ้ก้อนนี้อยู่ไม่ได้ผลตัวนี้เนี่ยตัวก้อนหินตัวนี้เหมือนกับเป็นผลตัวนี้เป็นเหตุตัวที่เป็นเหตุให้ตัวนี้อยู่ได้ตัวนั้นชื่อว่าปัจจัยอ่ะ น, นะ นั้นปัจจัยนี้มีอยู่สองลักษณะด้วยกันหนึ่งทำให้เกิดขึ้นสองช่วยอุปถัมป์ของที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยอุปถัมป์เอาไว้งนั้นลักษณะของปัจจัยนี่มีอยู่สองอย่างด้วยกันอํานาจของของคําว่าปัจจัยนี่มีอยู่สองอย่างเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าผล ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยปัจจัยปฏิเสธหรือว่าผลนะเวลาเกิดเวลามันเกิดขึ้นนะไม่ปฏิเสธสิ่งใดหรือปฏิเสธสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นแหละเรียกว่าปัจจัยเช่นเขาบอกว่าจิตจิตเนี่ยนะเหมือนกับคนสูงอายุสูงอายุมากเลยคนสูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าจะลุกขึ้นได้ต้องอาศัย ไม้เท้าอันนี้ไม้เท้านะวาดไม่เหมือนเลยนะจิตหัวโตจังนะไม้เท้าเนี่ยเป็นเหมือนตัดใจที่สำคัญสำหรับคนสูงอายุชั้นใดจิตหรืออารมณ์เนี่ยไม้เท้าเท่ากับอารมณ์จิตเขาบอกว่าจิตเนี่ยเวน้นอารมณ์และจิตเกิดไม่ได้ชั้นใด อารมณ์นี่มีความสำคัญต่อจิตมากถ้าไม่มีอารมณ์จิตไม่ได้อยู่ไม่ได้จิตเป็นผลอารมณ์เป็นเหตุอารมณ์เป็นเหตุ อ, หตอย่างนี้เรียกว่าอารมณมณะปัจจัยช่วยอุปการะให้จิตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้นั้นถ้าอารมณ์เปลี่ยนไปปับ๊บก็ถ้าใจถ้าอารมณ์เปลี่ยนใจคนก็ก็เปลี่ยนไปด้วยนั่นแหละ สายน้ําก็เปลี่ยนใจปลาการเวลาก็เปลี่ยนใจใจพวกเรานั่นแหละอันนั้นคำว่าเหตุกับคําว่าปัจจัยนี้คิดว่าพงพอเข้าใจนะหรือยกอีกในหนึ่งก็ได้เช่นว่าในโลภะเหตุอในในคําว่าปัจจัยนะเอาเอาสามกลุ่มที่เราเคยเรียนกัน สามกลุ่มเนี่ยแบ่งออกเป็นวัตถุวิญญาณและอารมณ์วิญญาณเกิดขึ้นได้เนี่ยนะต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญมากคืออารมณ์อารมณ์มนี้ได้แก่อะไรบ้างอารมณ์หกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะและธรมรมอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้น อารมณ์ช่วยอุปการะแก่จิตให้จิตเกิดขึ้นด้วยอำนาจอารัมมะปัจจัยนะจิตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะมีอารมณ์อารมณ์เป็นอารัมมะปัจจัยของจิตถ้าไม่มีอารมณ์จิตจะไม่เกิดอาทีนี้ถ้าจิตพวกเราธรรมดานะจิตเหล่านี้ต้องอาศัยวัตถุเกิดถ้าไม่มีวัตถุจิตจะ เกิดไม่ได้ถ้านายปันเจโวโการภูมิเป็นแค่ว่ามีความสำคัญกันมากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ขาดวัตถุจิตก็เกิดไม่ได้ขาดขาดจิตวัตถุบางอย่างเกิดไม่ได้ต้องต้องหมดไปเช่นถ้าจุติจิต ด, ดับไปปุ๊บเนี่ยวัตถุเนี่ยหมดหมดหม ด, หมดาเลยเพราะฉะนั้นวัตถุจึงมีความสำคัญต่อจิตมากจึงเป็นเป็นวัตถุ วัตถุที่ใช้คาว่าปุเรเพราะว่าวัตถุเนี่ยเกิดก่อนทำให้ให้จิตเกิดอันวัตถุจึงเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยของของจิตนี่นะสองเราก็ได้ส อ, สองสองสองสองอย่างแล้วนะได้กลุ่มปัจจัยตัวนี้เป็นปัจจัยโดยท่เรียกว่าวัตถุปุเรชาตปัจจัยได้สองปัจจัยละสองกลุ่ม ในจิต่าเมื่อเกิดประกอบไปด้วยวัตถุและอารมณ์เนี่ยถือเป็นปัจจัยหลักของจิตแต่จิตต้องเกิดร่วมกับธรรมะที่เกิดร่วมกันด้วยใช่ไหมจะขาดธรรมะที่เกิดร่วมกันไม่ได้ธรรมะที่เกิดร่วมกันอย่างนี้เขาเรียกว่าสหชาตะปัจจัยจะขาด ปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้เลยเพราะจิตเกิดขึ้นต้องมีเจตสิกประกอบเจตสิกที่ประกอบเป็นปัจจัยช่วยอุปการะสนับสนุนส่งเสริมให้จิตเนี่ยตั้งมั่นอยู่ได้กลมอย่างนี้เรียกว่ากลมสหชาตปัจจัย น, นี้มีความสําคัญมากต่อการเกิดของจิตขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นั่นแหละ เอาไม่ได้บอกว่าดวงไหนนี่ใช่ไหม ย, ยังไม่ได้บอกเลยว่าดวงไหนอันเจริญพรคือสหจัจจธรรมนั้นหมายถึงเจตสิกเนาะจิตจะเจตสิก ต, ต้องเอโกปาทานิโรธะเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันมีอารมณ์เดียวกันมีวัตถุเดียวกันอะ่ะคํานั้นก็เป็นลักษณะของเป็นชื่อของปัจจัยนะเป็นชื่อของสัมปยุตตปัจจัยอ่าถ้าสำนวนวิชาเบื้องต้นเราใช้คําว่าสัมปยุตธรรม แต่ถ้าเรียนในเชิงปัจจัยท่านบอกว่าสัมปัยุทธปัจจัยเพราะสัมปัยุทธธรรมก็ช่วยอุปการะให้สิ่งนั้นเกิดเราต้องมองว่าในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ปฏิเสธปฏิเสธปัจจัยเลยแล้วอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยเลยในโลกนะมีไหมไม่มีทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยปัจจัยทั้งนั้นเลยถ้าขาดปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งสิ่งนั้นจะมีไม่ได้ ดันั้นปัจจัยนี้เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อต่อสังคตธรรมเพราะฉะนั้นคำว่าสังคตะธรรมก็คือธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแม้แต่จิตจิตดวงนี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปัจจัยที่มาปรุงแต่งจิตอันนี้คืออะไรหนึ่งอารมณ์สองวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตและเจตสิกก็ยังเป็นปัจจัยของจิตด้วยเพราะจิตกับเจตสิกมีลักษณะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกัน จิตรู้อารมณ์จิตธรรมชาติที่รู้อารมณ์ภาษาธรรมชาติที่กระทบอารมณ์เวทนาธรรมชาติที่เสวยอารมณ์สัญญาธรรมชาติที่จําอารมณ์เจตนาเป็นธรรมชาติที่กระตุนต้นเตือนและชักชวนให้จิตเจตสิกเหล่านี้เนี่ยขึ้นรับรู้อารมณ์โทสะเกิดขึ้นประทุสร้ายอารมณ์โลภะเกิดขึ้นทําหน้าที่ยึดติดในอารมณ์หรือเพลิดเพลินในอารมณ์เวทนาเกิดขึ้นทําให้ สเสวยอารมณ์อันเจตสิกแต่ละดวงที่เกิดร่วมกันกับจิตเขาก็จะทำหน้าที่ของเขาคงเข้าไปแต่ละอย่างก็สามารถเป็นปัจจัยเกื้อกูลต่อกันและกันอยู่นั่นแหละต่างคนต่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันทีนี้ในกลุ่มจิตเนี่ยนะยังไม่พอจิตเนี่ยพอจิตเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ดวงเดียวโดดโดดได้ไหมไม่ได้ จิตดวงก่อนก่อนก็มาเป็นปัจจัยให้แก่จิตดวงหลังจิตดวงนี้หมดไปแล้วจึงเป็นเหตุให้เกิดจิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจิตที่เกิดขึ้นครั้งหลังๆอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลของอนันตระปัจจัยนี่เราเรียนแบบกลุ่มรวมก่อนนะเดี๋ยวจะค่อยๆแยกอีกครั้งหนึ่งให้เห็นเชิงสัมพันธ์กันก่อน ทังจิตดวงหลังๆที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีจิตดวงก่อนๆเป็นอนันตระปัจจัยให้เขาเกิดอันถ้าไม่มีดวงก่อนมาดวงนี้จะเกิดไม่ได้แต่ดวงก่อนต้องหมดไปนะจิตดวงนี้จึงจะเกิดขึ้นหรือจิตดวงนี้จะมีขึ้นก็ต้องมีจิตดวงก่อนจิตดวงก่อนที่ดับไปแล้วหมดไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดจิตดวงนี้เรียกว่าเป็นอนันตระปัจจัยอนันตระสมันตระอย่างเงี้ยนี่ กลุ่มอนันตระปัดใจนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งอะไรกี่กลุ่มแล้วนะหนึ่งขึ้นต้นด้วยสหชาติธรรมดีกว่านะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มอารมณ์กลุ่มที่สามกลุ่มวัตถุกลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มอนันตระอืได้แล้วที่จริงแล้วจิตตัวนี้นะ ยังช่วยให้รูปเนี่ยเกิดตั้งอยู่ได้นะถ้าไม่มีจิตวัตถุรูปจะไม่มีอายุอยู่ต่อไปเว้นไว้แต่ผู้ที่ได้กําลังสมาบัติอุปธรรมเช่นนิโรธสมาบัติถ้าโดยทั่วไปแล้วถ้าไม่มีจิตวัตถุคือคือถ้าจิตดับนเน่าแน่นั่นแหละฉั้นจิตที่เข้ามาช่วยอุปการะให้แก่วัตถุรูปเกิดเนี่ยเรียกว่า กลุ่มปัดชาชาตะนี่คือกลุ่มที่ห้ามีความสำคัญต่อวัตถุค่อนข้างมากถ้าจิตไม่มีวัตถุก็จะหมดคุณภาพหมดคุณภาพะนั้นกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มที่5ก็ถือว่ามีความสำคัญต่อการให้วัตถุเกิดมาก แล้วจิตเหล่านี้เนี่ยนะต้องมีอุปนิสัยจึงจะเกิดขึ้นได้อุปนิสัยที่มาจากอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องอันนี้อุปนิสัยทั้งภายในทั้งภายนอกเรียกว่าปะกะตูปะถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญของจิตแต่ละดวงแต่ละดวงมาก อ, อันนี้จึงเป็นกลุ่มที่หกที่มีความสำคัญต่อการเกิดขึ้นของจิต เดีนะกลุ่มที่หกเรียกว่าปะกะตูปะนิสยะปะกะตูปะนิสยะเซนฮะปะกะตูปะนิสยะอเดี๋ยวมาหลังเขียนอย่างนี้ปุ๊บน้าอ้โหตอนหลังนะเดี๋ยวจะเอาเอกสารมาแจกต้องอาทิตย์หน้าก่อนอะไรเราจะเห็นโอ้ไม่ยากได้แลนะ้วเนาะ จิตดวงนี้เกิดขึ้นต้องมีอุปนิสัยมาก่อนเช่นเอ๊ทำไมเป็นคนขี้โกรธนะอ้อุปนิสัยไม่ใช่โกรธวันนี้เมื่อวานก็โกรธอย่างนี้แหละนั่นแหละหมันก็อุปนิสัยได้มาถ้าโกรธวันนี้ก็เป็นอุปนิสัยให้พรุ่งนี้โกรธง่ายขึ้นอีกเนี่ยเกร็กได้อุปนิสัยแต่ถ้าเรียนตัดใจวันนี้นะเสารหน้าจะเข้าใจอีกมากกว่าวันนี้นั่นแหละเกร็กได้อุปนิสัยใช่ไหมนั่นน่ะประตูปนิสัยสะสมให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ คือแล้แต่สะสมอ่ะสะสมดีก็ดีสะสมไม่ดีก็แล้วไปก็ไม่ดีอ่ะเนาะเกิดด้วยกรรมถ้าจิตดวงนี้นะเป็นชาติวิบากถ้าเป็นชาติวิบากนะั้นอ่ะจิตดวงนี้ต้องมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเรียกว่านานักคณิกะกรรมเนี่ยนี่กลุ่มที่เจ็ดสำคัญมากต้องเกิด จากกลุ่มนา น, นัคขะคณิกะกรรมมีความสำคัญเพราะจิตชาติวิบากเป็นผลของกรรมใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วคำสอนของพวกเราว่กสัมมาทิฐิก็คือรู้กรรมและผลของกรรมส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันเราจ ะ, ะเรียนเรื่องชาติวิบากจิตนั้นจะต้องเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมว่ากุศลให้ผลเป็นวิบากที่เป็นสุข อากุศลให้วิบากจิตเหล่านี้เป็นวิบากจิตที่เป็นเป็นทุกข์นั่นแหละนี่ก็คือกลุ่มนานขาขัคนนิกรกรรมแล้วกลุ่มที่ต่อไปนะกลุ่มที่แปดในจิตดวงนี้เนี่ยนะมีมีโอชาอยู่ด้วยในวัตถุเนี่ยนะในวัตถุรูปเนี่ยมีโอชาอยู่ด้วย สมัยใหม่เรียกว่าอะไรนะโอชาก็คือทั้งแร่ธาตุสารอาหารทุกชนิดนั่นแหละเอาไม่เสริมนะเอาจริงเลยแหละอันนี้เรียกว่ารูปอาหารพวกยูกยาทุกชนิดทั้งอาหารทั้งที่ฉีดทั้งที่ทานทั้งที่ทาทั้งที่ทุกชนิดนั่นแหละที่เข้าไปเสริมให้วัตถุมันอยู่ได้อะนี้เรียกว่ารูปอาหารละปัจจัยเนี่ยแหะนี่กลุ่มที่แปด ที่จริงมีแค่เก้ากลุ่มเท่านั้นเองมีเก้ากลุ่มนะอดใจรอยอ ก, กลุ่มเดียวนั่นหละนั่นแหละมีแค่เก้ากลุ่มเองนะไม่เยอะแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มสุดท้ายที่สำคัญต่อวัตถุมากกลุ่มนั้นก็คือชีวิ ต, ตรูปชีวิ ต, ตรูปนี่เขาเรียกว่ารูปชีวิต รวบชีวิตเนี่ยกลุ่มที่เก้าพั้นการเกิดขึ้นของจิตมีความสําคัญกันเนี่ยโดยปัจจัยอยู่เก้ากลุ่มเท่านั้นเองเพราะนั้นโดยปัจจัยเนี่ยมีอยู่ยี่สิบสี่ปัจจัยเก้ากลุ่มทีนี้เราใช้คําว่าชาติกลุ่มของปัจจัยมีอยู่เก้ากลุ่มแต่เรียกว่าโดยชาติมีอยู่เก้าชาตินะ ชาติที่หนึ่งคือสหชาตชาติาตกลุ่มชาติของปัจจัยที่เกิดร่วมกันเกิดพร้อมกัน น, นะกลุ่มปัจจัยที่เกิดพร้อมกันแต่ไม่แน่ว่าจะดับพร้อมกันหรือไม่ไม่ได้บอกนะแต่ว่าเอาหลักคาว่าเกิดพร้อมกันอย่างเดียวเป็นปัจจัยโดยเกิดพร้อมกัน อาถามว่าเหมือนเหมือนกับที่พวกเรามาเรียนนะมาเรียนพร้อมกันแต่ไม่ใช่ว่าจะจบพร้อมกันหมดนะไม่ใช่ไม่แน่นะเ <c oughs> พราะบางคนเขามีความมีบุญเยอะนะอาจจะจบก่อนกำหนดอย่างเงี้ย <c oughs> ได้เลยนะกลุ่มที่หนึ่งคือเกิดกลุ่มปัจจัยที่เกิดพร้อมกันพร้อมกันยังไง จิตเจตสิกเกิดพร้อมกันน่ะแล้วมันทําให้จิตตะชูบทเกิดร่วมกันในลักษณะนี้ก็คือกลุ่มที่หนึ่งนั่นเองอะเข้าใจคร่าวๆก่อนนะเพราะเรายังไม่ได้พูดละเอียดนี่แบบพูดแบบรวมๆก่อนนี่กลุ่มที่หนึ่งทีนี้กลุ่มที่สอง เ, เรียกว่าจิตเหล่านั้นเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์เรียกว่าอารัมมณชาติอารัมมณชาติ สำคัญมากถ้าจิตไม่มีอารมณ์สั่อย่างเดียวเนี่ยเกิดไม่ได้กลุ่มที่สามจิตต้องอาศัยวัตถุเกิดเพราะฉะนั้นวัตถุอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญแก่จิตมากกลมที่สามเขาเรียกว่าวัตถุปปเรชาตะชาตาชา ก็คือวัตถุเป็นที่อาศัยเกิดของจิตนั่นแหละถือว่ามีความสำคัญต่อการเกิดขึ้นของจิตมากถ้าไม่มีวัตถุจิตจะเกิดไม่ได้นี่แหละถ้าสังเกตลักษณะนี้นะบ่อยๆเป็นยาตาปริญญาศึกษาในชีวิตของเราแล้วก็วิชานี้ก็คือที่ถามว่าวิชาวิปัสสนานั่นแหละนี่คือวิเร่องของวิปัสสนานะ เพราะว่าต้องมีความเข้าใจในลักษณะนี้นะถ้าไม่เข้าใจเลยก็โหจะเอาแต่วิปัสนาเลยก็คืออาจจะคือวิปัสนาไม่ใช่ตามแนวพระต่ายพิฎกนะถ้าตามแนวพระต่ายิฎกเนี่ยท่านแสดงในรูปแบบความสัมพันธ์กันทั้งหมดเลยอ่าถ้าท่านจะแสดงในลักษณะนี้ถึงจนถึงคําว่าธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นด้วยปัจจัยยังกิฑจิสมุทยัยธรมมังสะพันธ์ทางนโรธธรรมมัง สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดลอยๆแต่มันเกิดด้วยปัจจัยเพราะมีปัจจัยจึงจึงเกิดแต่สิ่งที่มีปัจจัยแล้วสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งเขาเรียกว่าสังขตธรรมอันนี้จาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขนาด น, นี้มันจะอยู่ได้เลยเนาะจิตอะปัจจัยของเขาตั้งเย อ, อ, อะแยะถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแปรปรวนจิตจะเกิดต่อไปไม่ได้ ก็เหมือนกับสมมตินะกําลังมาเรียนธรรมะอยู่อย่างเงี้ยถ้าเกิดมามีนะมีครั้งหนึ่งเนี่ยเรียนกําลังเรียนธรรมะอยู่เรียนเรืงจิตนี่แหละพระองค์หนึง่งท่านเป็นมารเรียเลยนะหูปากเนี่ยซีดหมดเลยตัวนี่ซีดแข็งสัน่นงงโอ้โหทาปลายอีกระยะหนึ่งคงช็อกตาสันมากมันตัวเนี่ยเย็นเยียดก็เอาไปเข้าโรงพยาบาลเพราะวัดถูกรูปมาอย่างไม่ตสมบูรณ์เลย การเรียนธรรมะเลยผดเลยดังนั้นเท่ากับปิดเรียนไปเลยป่วยองค์เดียวคนไหนต้องแบ่งเงินไปเฝ้าะไข่าบางไหนจะต้อหมดเลยอะ่ะเพราะว่าถูกพิบัติว่าถูกพิบัติเลยไอ้ตัวนี้เกิดไม่ได้ได้หมทั้งทั้งที่อารมณ์เนี่ยถ้าปัจจัยที่จะให้เกิดอารมณ์คือเสียงใช่ไหมฟังธรรมนี่ต้องมาจากเสียงใช่ไหมผู้แสดงก็มี จิตนี้สา ม, มารถจะเกิดต่อไปได้แต่พอดีมาลาเรียเจออ้ากรรมเนี่ยไปสร้างแล้จนวัตถุวิบัติจิตนี้ก็ไม่เกิดพอไม่เกิดปั๊บก็เลยอดเลยเพราะนวัตถุนี่สําคัญมากต่อจิตใจนั่นแหละคล้ายกับสมัยใหม่เขาจะพูดว่าเออถ้าอายุห้าขวบนะจิตใจเขาจะเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะการเจริญเติบโตของร่างกายใช่ไหมพออายุสิบอ็ดขวบสิบสี่ขวบสิบ็ดอายุสิบเจดปีนะถ้าสิบห้าสิหกไปแล้วเรีกปีแล้วาไม่เรียกขวบแล้วนั่นแหละ มีอิทธิพลสำคัญต่อจิตใจมากอ่าจิตใจตัวนี้แหละทำให้เกิดพฤติกรรมแสดงออกมาเรียกว่าจิตตะชรุกลุ่มจิตตะชรุเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันรูปกลุ่มนี้มีความสำคัญต่อจิตใจจิตใจมีความสำคัญต่อการแสดงออกอันวัตถุกลุ่มนี้จึงเป็นวัตถุปุเรชาตปัจจัยของจิตแล้วจิตนี้ ตอนที่ความคิดทุกๆความคิดเกิดจะต้องมีความคิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอย่างน้อยหนึ่งดวงต้องมีก่อนที่เราจะเห็นเนี่ยนะต้องมีจิตก่อนที่จะเห็นก่อนที่ได้ยินต้องมีจิตก่อนที่จะได้ยินที่มีความสําคัญต่อการเห็นการได้ยินจิตก่อนนั้นนั้นนี่เรียกว่ากลม่มอนันตระปัจจัยนะก็คือ จิตดวงก่อนๆมาเป็นปัจจัยให้เกิดจิตดวงหลังๆที่เราเรียกว่าวิถีอะวิถีอะนี่แหละคือกลุ่มอนันต ร, ประปัจจัยอะวิถีจิตอะไอดวงกลมๆที่มันเรียงๆกันอะแต่จิตมันไม่รู้มันเรียงกันอย่างนั้นหรือเปล่านูนเนาะก็สังเกตเอากัแล้วกันเวลาเราคิดเนี่ยมันเรียงกันอย่างนั้นไหมมันไม่กระโดกกระเดกมันเรียงแต่มองไม่เห็นคนืนเอเขาบอกว่า มันสลับอารมณ์ไงเครื่องมันก็รวนไปรวนกันนะแต่ก็ที่แน่ๆก็คือว่าจิตจริงๆอ่ะมันเรียงแต่ว่ามันเรียงผิดระบบไปหน่อยนะแต่ยังไงจิตตัวต้องเกิดจากจิตดวงที่หนึ่งดวงนี้ต้องยังไงเนี่ยจิตที่จริงจิตเนี่ยเมียโดยอุปาทาถีติของเขาแล้วเนี่ยเร็วมากเลยนะดูก่อนพี่สูจทั้งหลายยากที่จะอุปมาว่าชั่วลัดนิ้วมือนหนึ่งเนี่ยจิตเกิดดับเร็วเท่าไหร่ดันความคิดเนี่ยมันเร็วมากใช่ไหม คิดถึงอเมริกาได้ภายในปุ๊เดียวเองก่อนะเร็วกว่าไอ้พ่นอีกนั่นแหะปุบเดียวเองงนั้นความคิดเนี่ยเปลี่ยนจากความคิดหนึ่งสู่อีความคิดหนึ่งโอ้คิดคิดสลับซับซ้อนไปหมดเพราะ i อ้พ่นยังไม่ทันใจคนเลยอ่ะนะความคิดเนี่ยเร็วมากงนั้นจากความคิดหนึ่งที่ดับไปแล้วทําให้เกิดความคิดหลังๆขึ้นมาเนี่ยความคิดที่ดับไปแล้วเนี่ถือว่าเป็นอนันตระตัจัยที่สําคัญของของใจมาก แล้วกลุ่มต่อไปอีกกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าอีกครั้งหนึ่งก็คือปัดช้าชาตะปัดใจตรง น, นี้นี้โดยชาตินะพูดโดยชาติกลุ่มที่ห้าก็คือปัดช้าชาตะชาติคือจิต กับร่างกายของเราเนี่ยสัมพันธ์กันมากถ้าหากว่าร่างกายของเราถ้าจิตไม่เกิดอย่างสืบเนื่องต่อนะกายนี้ไม่สามารถที่จะจะทรงอยู่ได้ถ้าจิตมีกำลังอ่อนกายก็มีกำลังน้อยถ้าจิตดวงนั้นนั้นมีกำลังมากกายก็จะมีกำลังมากฉะนั้นถ้าถ้าจิตดวงนี้เป็นมหาภูศและจิตนะเป็นจิตที่ไม่มีโทษเป็นจิตที่ผ่องใส จิตชนิดนี้จะไปช่วยให้วัตถุนั้นผ่องใสด้วยอย่างเช่นสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าเนี่ยปัญญาตัวนี้มาพิจารณาเรื่องสมันตะปะฐานคืออารมณ์นะมหากิริยาของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาอารมณ์แต่เป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยยี่สิบสี่งพิจารณาไปเรื่อยๆจิตตัวนี้เนี่ยมีอนุภาพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่วัตถุรูปแม้กระทั่งพวกเลือดที่วิ่งตามตัวเนี่ยปัญญาตัวนี้ก็บ่มบมบมไปเรื่อยๆปุ๊บพอพระองค์เจริญเรื่องปัจจัยนี้มากๆขึ้นรัศมีออกเลยแต่คนฟุ้งซ่านมาคิดเรื่องนี้มากเวียนหัวเลยแต่ข อ, พพองพระพุทธเจ้าพระองค์พิจารณาเรื่องปัจจัยนะที่จริงอ่ะพพุทธเจ้าจะมีรัศมีโดยปกติเนี่ยนะมีแสงออกจากตัวหนึ่งวาโดยรอบ แล้วไม่มีแสงอะไรที่จะมากรบไอรัศมีอันนั้นได้โดยปกติหนึ่งวาแต่พระพุทธเจ้าบางพระองค์นะชื่อว่าพระสุมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีรัศมีเนี่ยเป็นจักรวาลเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ส่องแสงสว่างเลยนะคือส่องแต่ว่ารัศมีของพุทธเจ้ากลบหมดอ่าพระองค์เนี่ยสร้างกรรมมาอย่างหนึ่งถ้าใครอยากมีรัศมีนะถ้าทําใจได้ก็เราจะเล่าให้ฟัง ฟังไหมว่าทํายังไงเขาจึงมีรัศมีขนาดนั้นอนะแต่เขามีว่าเป็นประเพณีของพระโพธิสัตว์ทุกท่านต้องบริจาคลูกเป็นทาเนเป็นข้อแม้ว่าต้องให้ลูกเป็นทานเนี่ยเป็นประเพณีของผู้ที่ปรารถนาเพื่อที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเขาเรียกว่าปุตตะรนนบริจาคขังอย่างนั้นบริจาคลูกพระเวสสันดรบริจาคการหาชาลีใช่ไหมบริจาคไปนี่รู้สึกเสียดายต่างงิดต่างงิดอยู่เหมือนกันนะ คือจะว่าไปก็รู้สึกเดือดร้อนใจอ่ะแต่พามคนนี้ไม่เกรงใจเราเลยเอาลูกของเราไปก็หัวตีหน้าดูเลยแต่นี้พระโพธิสัตว์สุมังคละโ พ, พธิสัตว์นี้ก็เหมือนกันท่านก็ออกไปอยู่ในภูเขาคล้ายๆเขาวงกฏนั่นกันขณะที่ไปอยู่ในเขาเนี่ยก็มียักษ์ตนหนึ่งเขาก็มาขอลูกพอมาขอลูกเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ยกลูกให้บอกว่าด้วยการให้ลูกเป็นทางนี้ขอจงเป็นปัจจัยเพื่อ สัมมาสัมโพธิญาณเถอะทีนี้ยักษ์ก็รับมอบลูกปุ๊บเนี่ยนะก็บอกว่ายัดเข้าปากทันทีเลยนะเคี้ยวกรดเข้าไปเลือดนี่ยแตกกระจายเลยพระโพธิสัตว์เนี่ท่านคิดยังไงนะท่านบอกว่าสุทินังวะตะเมทานังเหม น, นทานที่เราให้เป็นการให้ดีแล้วหนอท่านเกิดปีติเอื้ออิ่มใจอย่างมากเลยที่ได้ให้ทานนะแต่ไม่ได้อิ่มใจที่ลูกถูกกินนะแต่หมายความว่าพอให้ทานลูกไปเนี่ยรู้สึกดีใจมากแล้วท่าน ยักกินปุ๊บไม่รู้สึกเดือดร้อนใจเลยแล้วท่านตั้งความปาถนาว่าขอกุศลอันนี้จงเป็นไปให้มีรัศมีหาที่สุดไม่ได้เฉะนั้นพอชาติสุดท้ายพระองค์บรรลุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีรัศมีออกจากตัวมากขนาดนี้อ่าไปดูได้ในคัมภีร์พุทธวงศ์จะ ก, กล่าวถึงอสุมังคละสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงว่ารัศมีของพระองค์เนี่ยโหพอพระองค์ดับขันปรินิพพานปั๊บสัต ร, ร้องให้เลย มันมืดมิดเลยซสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ทุกคนมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนแสงสว่างของพระเจ้าเนี่ยส่องหมดเลยแต่คนจะรู้ได้ว่าช่วงนี้กลางวันหรือกลางคืนก็สังเกตจากเสียงพวกนกเสียงพวกนกมันร้องอะไรมันร้องนะสมัยนี้ก็อาศัยนาฬิกาเอาว่าช่วงนี้กี่โมงกี่ยามอะไรแหละปกติเขาอาศัยเสียงนกเอาเพราะว่ามันมันมีแต่แสงสว่างอย่างเดียวก็แต่แสงสว่างอันนั้นเนี่ยกอนที่แสงสว่างอันนั้นจะเกิดเพราะการพิจารณาเรื่องปัจจใย แต่ว่าที่ทำให้มีรัศมีแบบนั้นก็มาจากการให้ลูกเป็นทานเสร็จไม่รู้สึกเสียดายในภายหลังแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เกิดรัศมีแบบนี้นะได้แลยนะปัจ ช, ชาชาต ช, ชาตินั้นคนที่ใจใจเป็นกุศล อ, ะ, ะ, อะผิวหน้าหรืออะไรเป็นต้นก็จะผ่องใสไปด้วยแต่ถ้าคนหน้าดำอ่ะนะมันจากกุศลจิตเกิดมันก็ไม่ไม่ใสเท่าไหร่หรอก ไม่ไม่อยู่เชียงใหม่ตั้งนานแนละ้วมันไม่ลอกเลยหกหกจิตจิตเจตสิกเนี่ยนะความคิดทุกๆุกอย่างเนี่ยจะต้องมีอุปนิสัยให้เกิดความคิด อ, อุปนิสัยคนไทยบางทีเนี่ยก็ ก, ก็รู้ไม่ไม่คลุมมากนะักใช้คำว่าสันดานอ่ะคือก็คำว่าสันดานเป็นต้นก็เป็นชื่อหนึ่งในปัจจัยเหมือนกันนะ อุปนิสัยอุปนิสัยปัจจัยเพราะความคิดทุกๆความคิดเนี่ยเช่นเกิดจากเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครสมรมติเราไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเมตตานะทำให้เรามีเมตตาไปด้วยเกี่ยวข้องกับคนที่มีปัญญามากก็ทําให้เราเกิดปัญญาไปด้วยเกี่ยวข้องกับคนขี้เกียจก็พ ล, ลอยขี้เกียจไปด้วยครอบคนขี้โมโหเราก็พลอยโมโหไปด้วยอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าอุปนิสัยในการเข้าไปเกี่ยวข้อง อันนี้ก็อุปนิสัยภายนอกและยังมีอุปนิสัยอีกอย่างหนึ่งกอุปนิสัยภายในอุปนิสัยภายในนั้นก็คือเช่นเมื่อเช้าตื่นเช้ามาเจริญเมตตาใส่สายมาก็เลยสบายใจไปเลยอ่อเมื่อเช้าเนี่ยเป็นอุปนิสัยให้ใสสายสมมติถ้าคนที่มาเรียนธรรมะวานเมื่อวานกับวันนี้การเรียนเมื่อวานเป็นอุปนิสัยให้เข้าใจวันนี้มากขึ้น ถ้าเรียนไปเรื่อยๆก็จะเป็นอุปนิสัยให้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเพราะฉะนั้นอย่างคนที่เขาเรียนจบสถาบันชั้นสูงๆไปเลยเนี่ยถามว่าอนุบาลเนี่ยเป็นอุปนิสัยสําคัญไหมต่อการเรียนจบของเขาสําคัญตั้งแต่อนุบาลจนถึงก่อนจะจบเนี่ยทุกอย่างถือว่าเป็นอุปนิสัยต่อการจบของเขาทั้งหมดเลยถ้าหากว่าไม่มีอุปนิสัยคือการเริ่มเรียนก่อนนั้นๆมาเนี่ยเขาจะจะจบไม่ได้เพราะขาด อุปนิสัยอุปนิสัยที่สนับสนุนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นปะตะตูปะนิสยปัจจัยปะตะตูปะนิสยปัจจัยแต่ปัจจัยนี้เนี่ยบางอย่างสัมพันธ์กับเรื่องของนานักคคณิกกรรมด้วยจึงเรียกว่าปะตะตูปะนิสยชาตาถือว่าเป็นอีกชาติหนึ่งเหมือนกันของของของปัจจัย คือสิ่งใดที่ทำมาแล้วด้วยดีสิ่งนั้นเรียกว่าปรกตูที่ทำมาแล้วด้วยดีหรือเหตุธรรมที่มีกำลังมากต่อการเกิดขึ้นของความรู้สึกนึกคิดเหตุธรรมที่มีความสำคัญเหล่านั้นแหละเรียกว่าปรกตูปะเนสยะปัจจัยทีส่สำคัญค่อนข้างมากนะยกตัวอย่างเช่นความคิดนึกต่างๆเหล่านี้เป็นเป็นมโนวิญญาณเนาะ เป็นมโนวิญญาณเป็นเรียกว่าสํานวนไทยธรรมะใช้กับว่าเป็นชาวันนาความรู้ความคิดทั้งหลายของเราอะนะเป็นชาวันนาชาวันะเหล่านี้เนี่ยถามมาโซตาวิญญาณเป็นปัจจัยที่สําคัญไหมสําคัญถ้าไม่ได้ยินเสียงเราจะไม่คิดเลยสมมุติถ้าคนพูดถึงถึงบ้านเราเนี่ยนะในที่บ้านเราอ่ะนะที่ที่เราอยู่ร่วมกันหลายๆคนเนี่ยที่เรานึกถึงบ้านถือว่าการได้ยินเสียงเนี่ยนะเป็นปัจจัยที่สําคัญทําให้เราคิดถึง คิดถึงบ้านอั้นโสตวิญญาณที่เกิดขึ้นได้ยินเสียงเนี่ยเป็นอุปนิสัยที่สําคัญทําให้เราคิดถึงบ้านเราอั้นพวกนี้ก็คือในกลุ่มของปกะตูทําให้เกิดความคิดนึกเหล่านี้และปัจจัยอีกต่อไปนะก็คือเรื่องของกลุ่มที่เจ็ดเนาะกลุ่มที่เจ็ดนั้นก็คือนานักคณิกะ กรรมชาตินานักคณิกะกรรมชาตินานักขักณิกะกรรมชาตินั้นก็คือเรื่องของที่เราพูดถึงเช่นโสตวิญญาณจิตที่ได้ยินเสียงนี่เป็นผลของของกรรมใช่ไหมใช่ปัจจัยที่สําคัญที่อยู่ไกลมากที่ทําให้เกิดโสตวิญญาณได้ยินเสียงก็มาจากผลของกรรม จิตเห็นที่เห็นนี่ก็เป็นผลของกรรมอากาศร้อนอบอ้าวที่เรารู้ร้อนเนี่ยความสภาพจิต ท, ทุกข์กายญาวิญญาณก็เป็นผลของของกรรมแต่ไม่ใช่วันเลยเถิดจนไม่รู้ว่าโอ้โหเพราะเพรา ะ, เพราะอากาศมันอบอ้าวทาให้ร้อนระยกให้แต่กรรมอย่างเดียวโดยที่ไม่เอาปัจจัยอื่นๆไม่ได้นะสมมุติวันนี้เป็นกายญวิญญาณนะกายญวิญญาณต้องอาศัยวัตถุคือกายต้องอาศัยโพธาภะอาศัยจิตดวงก่อนๆเป็นปัจจัย อาศัยอุปนิสัยอาศัยกลุ่มปัจจัยอีกตั้งหลายเรื่องหลันคำว่าพูดว่ากายวิญญาณเป็นผลของกรรมเนี่ยหนึ่งในจํานวนปัจจัยนั้นๆด้วยแต่ถ้าหากว่าอากาศจะอบอ้าวขนาดนี้ถ้าพัดลมมาจาะสักอย่างเดียวอะ่ะเรามีประโยค่สมบัติสักอย่างเดียวเนี่ยอกุศลก็ไม่ให้ผลเนาะนั่นแหละชื่อสมบัติก็ดีเหมือนกันแต่ถ้าวิบัติก็แย่เลยนะเอาต่อไปนะกลุ่มที่แปดกลุ่มที่แปดนั้น อย่างไรอย่างไรเราก็จะขาดไม่ได้ก็คือล้วใครจะกินลมอยู่ได้คนที่กินลมแล้วอยู่ได้ก็มีรูปอาหารอีกนั่นแหละก็บอกว่าเพราะในลมเนี่ยที่ที่มันพัดเนี่ยมีวิธีโพค ร, รูปไหมมีมีโอชายอยู่ในนั้นไหมมีถ้ามีบุญพอก็กินอากาศได้นั่นแหละก็ประมวลเรขาทก็ก็ต้นไม้บางต้นเนี่ยมันที่มันเจริญเติบโตเนี่ยเพราะอาศัย อากาศนะเคยเห็นต้นไม้บางอย่างที่เขาไปแขวนไว้บนต้นไม้แล้วไอ้ต้นไม้ชนิดนี้มันงอกงามขึ้นมาได้เพราะมันกินอากาศได้นั่นแหละฝอยทองใช่ไหมนั่นแหละฝอยทองอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นต้นฝอยทองเนี่ยเอามาแขวนแ ข, ขวนไว้มันไม่ต้องถึงดินเลยนะแขวนไว้บนต้นไม้มันก็ดูดซับอาหารได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นรูปอาหารเนี่ยมีความสําคัญต่อชีวิตมากต่อตัวรูปของเราเนี่ย ต่อรูปร่างกายของเราทั้งรูปชีวิตและรูปชีวิตอันนี้เนี่ยช่วยทำให้ร่างกายเราสุขภาพดีสุขภาพดีก็เป็นปัจจัยให้สุขภาพจิตดีด้วยเมื่อกายดีจิตก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นรูปอาหารนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการดำรงชีวิตการเป็นอยู่ของของรูปจนถึงกับมีพุทธพจน์ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายดารงอยู่ได้ด้วยอาหารแต่คาว่าอาหารตรงนั้นเนี่ยคลุมหมดเลยนะ ไม่ได้เฉพาะแค่รูปอาหารอย่างเดียวอาหารคือคำข้าวอย่างเดียวนั้นคาว่าอาหารหนึ่งอาหารสองปัจจัยสามสมุทยัยสี่สัมภวะพวกนี้เป็นชื่อของปัจจัยอนะเอาคำก็คืออาหารเนตสมุทยัยปัจจัยเอาแค่สี่คำพอเอออีกคำหนึ่งนะแถมนิทาน ถนะ้าคำนี้ต่างกันแค่คำพูดมีความหมายเหมือนกันเลยอาหารเหตุสมุทัยปัจจัยนิทานแดนเกิดอีกคำหนึ่งก็ได้อแดนเกิดความหมายเหล่านี้เหมือนกันบ่งถึงคำเดียวกันโดยความหมายเดียวกันคำมะเหล่านี้เนี่ยนะคำเหล่านี้เนี่ย จะอยู่ในข้อหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็ได้ซึ่งมีความหมายไม่ต่างกันแต่ในคำพีปัจจัยยกเอาเหตุที่สำคัญคือเอาคำว่าปัจจัยมาแต่ถ้าในพุทธพจน์ส่วนอื่นๆเนี่ยนะอย่างเรื่องของอริยสัจเอาอะไรมาเอาเรื่องของสมุทัยมาบางอย่างก็ใช้คำว่าเหตุบางอย่างก็ใช้คำว่านิทานเช่นมีอะไรเป็นนิทานเหมนกน สังขารมีอะไรเป็นนิทานสังขารมีอวิชาเป็นนิทานอย่างเงี้ยไอ้คำว่านิทานไม่ใช่เล่าปารำปรามาตุตเป็นตูวเป็นตามไม่ใช่นะอันนิทานก็คือพวกเรื่องของปัจจัยอย่างนี้นั่นเองแล้วสุดท้ายนะก้ารูปชีวิตรูปชีวิตชาตชินะรูปชีวิตติสีนะเต็มๆครับ รูปชีวิตตินเรยชาติถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากต่อต่อกายนี้นะนะนี้พูดแต่พูดถึงในเรื่องของลักษณะของกลุ่มปัจจัยนี่มีอยู่อย่างนี้ได้นะะคนหนึ่งหลายชื่อชั้นใดตรงนี้ก็เหมือนกันต่างกันแค่แค่ชื่อแต่ก็ตัวเดียวกันนั่นแหละ นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเข้าใจถูกแล้วถ้า ต, ตรงนี้มีมีใครสงสัยบ้างไหมหรือไม่เข้าใจเลยก็ก็ถามได้นะนานักขักคนี้กะกรร ม, มะเออคือนา น, ขาขนักขักคณนี้กกรร ม, มะก็คือสมมติว่า จิตชาติวิบากที่เรากลังรับขนาดนี้ใช่ไหมเช่นจิตเห็นเนี่ยจิตชาติวิบากจิตที่กาลังได้ยินเนี่ยเป็นจิตชาติวิบากจิตชาติวิบากอันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยบอกว่าเมื่อจิตชาติวิบากนั้นเป็นจิตชาติผลผลเนี่ยมาจากเหตุเหตุคือเจตนากรรมในอดีตเป็นปัจจัยให้เกิดจิตชนิดนี้ขึ้นหรืออีกในหนึ่งก็คือที่เรากำลังมาทำอยู่เนี่ยเป็นกุศลใช่ไหมถ้าเรียนธรรมะนี่เป็นกุศล อ่ส่วนใหญ่จะเป็นกุศลเอาใหญ่นะบางมันมีบางๆอยู่เหมือนกันนะที่เป็นอกุศลเหมือนกันน ะ, น, ะ, ะนั่นนะอ่ากุศลละจิตเนี่ยถามว่าจะให้ผลข้างหน้าไหมใช่อาการให้ผลของกุศลที่จะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้าเรียกว่านานัคคะนิกกรรมะเขาเรียกว่าสามารถให้ผลได้ต่างขณะกันใช่ไมอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าคนบางคนเนี่ยทำกุศลตั้งแต่เด็ก พอผู้ใหญ่มาเนี่ยกรรมบางอย่างที่ทำว่าจะเด็กให้ผลตอนเป็นผู้ใหญ่บางอย่างทำในช่วงเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะให้ผลในช่วงชราบางคนเนี่ยทำในช่วงชราให้ผลใกล้ตาย